The <laughs> multimassal- Jazmanyir El Maia Lecture Aleur theoso Una... Una... uda... 었는데 Geser guess offsal- звучit saranaṃ gacchāmi buddhang saranaṃ gacchāmi dhammang saranaṃ gacchāmi saṅghaṃ saranaṃ gacchāmi dutiyam pe ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโพธิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโพธิยัมปิสังฆังสรณัง ติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตะติยัมปิ เอ่อวันนี้วัน 16 ธันวาคม 2557 แล้วอ่าอากาศเย็นหนาว เอาน่ะตรงเท้าไม่ต้องแค่นี้ก็พอละน่ะก็ใส่ไปเพื่อกันอากาศบ้างน่ะนะอ้าวเราก็มาเริ่มต้นเอเอเอเอเอเอ 5 จัลธาสังโฆอนาคานอ่าอะไรอาหารทวงอาหาร 4 โอ้อาหาร 4 ยังไม่ อาตมาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปใช้งาน ตอบอย่างตั้งใจตอบเอาพระตะปิดกอ่าเล่ม 25 เอา มันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีพอตอบไปแล้วก็ปรากฏว่าท่านดินไทยก็ติดตามดูไปคนที่เค้าถามมาเค้าก็รับฟังอยู่เค้าก็ติดและก็ ก็ 6 ข้ออาตมาว่านะอ่ามันก็เกี่ยวข้องกับทางๆของพระพุทธเจ้าฉะนั้นอาตมาจะอะไร มันอ่ะถูกแล้วดูอ่ะตอบยังไม่จบไงตอบยังไม่หมดเพิ่งจะ แต่มันก็เอาตามภูมิอัตมาที่น่ะคืออะไรนะความจริงมันที่เราเรียน 2 อันหลักๆสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะความจริงนะนะสมมุติสัจจะก็ความรู้ เท่าละคนแต่ละหมู่แต่ละกลุ่มใครกําหนดขึ้นก็คนนั้นแหละเช่นประเทศทั้งประเทศเช่นใน ศาสนาเทวนิยมเค้าก็ถือว่าความจริงสูงสุดอ่าบางกลุ่มบางหมู่บางคณะที่เป็น ถูกต้อง true ก็ยังฮะจริงๆ true กันจริงๆเลยอ่าความจริงของเค้า เออมันไม่รู้จริงไม่จริงมันไม่รู้เรื่องหรอกอะไรจริงอะไร อยู่ในสังคมเดียวถ้าเผื่อว่าร่วมกฎหมายเดียวกันร่วมวัฒนธรรมเดียว ที่สูงสุดที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้น ถือว่าอันนี้สูงๆที่จะยกไว้นะ กฎหมายก็แต่ละประเทศหรือแต่ละกลุ่มกําหนดกันๆก็ได้ที่ไม่ แม้แต่พฤติกรรมการปฏิบัติประพฤติน่ะของแต่ หรือว่าคนบุคคลกลุ่มหมู่ของบุคคลที่กําหนดไว้อ่าอย่างอย่างนี้อย่างนี้เอาตรงตามนี้ก็บัญญัติขึ้นมาเป็นปจฉานุกรมก็ถือตามนั้นเป็นหลักของกลุ่มของสังคมอย่างนี้เป็น พระพุทธเจ้าบัญญัติในเรื่องของสัจจกความจริงที่สูงสุดเรียกว่าปรมัตถสัจจะปรมัตถสัจจะทั้ง อ่าในความเป็นเรียกว่าอรหันต์ในความตายก็เรียกว่านิพพานนะในความดับนิโรธหรือนิพพานนี่เป็นต้นนะ ยังไม่ตายคนที่ยังไม่ตายถ้าตายหรือ <ม. S 1> จิตเจตสิกต่างๆนะกิเลสตายสิ้นแล้วนะท่าน ผู้ที่จะเข้าถึงความจริงสูง มนุษย์นั้นน่ะนะมนุษย์นั้นน่ะสูงสุดก็เรื่อง มันมีอยู่ที่การกําหนดเรียกว่าสัญญาสัญญายะนิจจานินะเป็นการกําหนดเมื่อการกําหนดส่วนบุคคลการแต่นั่นคือสัญญายะอะไร เรียกว่าถาวรแท้เออไม่เปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าจริงสูงสุดตามกําหนดสัญญาเป็นตัวกําหนดเพราะฉะนั้นเราสัญญากันว่าอย่างนี้ต่อผู้เกิด เอ่อซึ่งความจริงของทางประมัตถ์ทางปสาลีแล้วสัญญานี่เป็นตัวจิต การจริงกว่าหมายของตนเองนั่นน่ะจริงก่อนไอ้นั้นเอาเถอะยอมสังคมก็กำหนดหมายแล้วก็ต้องตามอย่างเช่นไอ้ข้อกฎข้อบังคับวันนี้ไม่ 2 คนคนนั้นก็ ถ้ามันยิ่งไม่ตรงกันขัดแย้งกันอาจารย์ของเดรัจฉีกลุ่มนี้อาจารย์ของเดรัจฉีกลุ่มนี้กําหนดต่างคนต่างกําหนดแล้วเขาก็เถียงกันต่าง ถ้าเราจะสงบถ้าเราจะไม่เกิดทะเลาะวิวาทกันจริงคุณก็ทําคุณไปคุณก็รู้สึกไปคุณก็รับของคุณไปไม่ต้องไปทะเลาะ อย่างอัตมาสมมุติวันนั้นเอ่อเขาสมมุติว่าขี้ดีกว่าข้าวเขาเลยเอา ดีซะอีกสงบเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยคนที่เข้า เลยบ่ปฏิโกศนาทวงกันได้แต่ไม่ต้องไปเอาเป็นเอาตายไม่ต้องเยอะแล้วก็อยู่ร่วมกันได้ ก็ทําเป็นประโยชน์หรือเป็นคุณค่าอะไรมันก็เป็นเราเนี่ยพวกเราเนี่ยชาวโศกเราเห็นว่าเราต้องถือศีลเป 5 เป็นอย่างต่ํามีชีวิตมีหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ก็เป็นการสมมุติแต่ถ้าเราทําตามไม่ ถ้าจิตเป็นปรมัตต์แล้วไม่มีอบายมุขนี้แล้วเราก็ไม่สุขไม่ทุกข์กับมันนะจิตของเราว่าง คนที่ล้างกิเลสได้จริงหมดตัวหมดตนหมดความยึดถือก็จะอยู่กันอย่างสบายแล้วก็เราคนนั้นคนนี้ก็ยังยึดคนนั้นอันนี้นี่ของเค้าหมดตัวหมดตนแล้วโอ้สบายเลยนี่อุดมเกินพอเกินใช้เฮ้อสบายนะ นี่เป็นเรื่องสัจจะที่พิสูจน์แล้วจะเข้าใจจะเป็นตัวรู้และเป็นตัวกําหนดนอกจากรู้กําหนดแล้วยึดถือหรือไม่ยึดถือจบสูงสุดก็ยึดถือ ก็จะต้องทําการอย่าให้มันเกิดเพราะมันไม่ดีแต่ช่วยแต่แม้มันไม่ดี ไม่ดันทุรังแต่ท่านไม่ดูได้ตรังแต่ท่านไม่ดูดายท่านมีเจตนาจริงใจ ก็ไม่ทําสิ่งที่เป็นโทษเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทษแก่ท่าน สุดยอดถ้าเกิดโทษเกิดภัยรู้แล้วว่าถ้าเกิดสู้หรือว่าทําต่อไปดันต่อจริงกับมหาประเทศ 4 นะอยู่กับความจริงกันอย่างนี้เพราะฉะนั้น ก็ก็คงจะต้องพอยาวขึ้นบ้างนะก็คงจะ 2 จุดเริ่มต้นของจักรวาลเนี่ยถามไปนู่นอะไรจุดเริ่มต้นของจักรวาลคืออะไรอะไรคือจุด คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็วนแล้ว ขอบเขตของเขาจะหมุนเขตของเขาจะหมุนขอบเขตของเขาจะวนขอบเขตของเขาจะอยู่ส่วนจิตนิยมแล้วก็เกิดการปฏิบัติเรียกว่ากรรมนิยมแล้วก็ทรงอยู่อย่าง ถ้าไม่มีแล้วสลายไปเลยความหมุนความวนนั้นนั้นๆไปเป็นเรื่องอื่นแล้วไม่มีวงวนวนอันก็เรียกว่าธรรมะไม่มีอันนี้ธรรมะก็เกิดทรงอยู่และมีการปฏิบัติ ปฏิบัติวนดูอย่างงั้นเรียกว่าความวนหรือจักรวาลหรือวัฏจักรก็แล้วแต่นะนี่คือว่าจักรวาลเพราะจุดเริ่มต้นของจักรวาลเนี่ย ก็ยังไม่รู้เลยเช่นต้นจักรวาล ตอบไม่ได้ไม่มีใครรู้เราไม่รู้เรานี่แหละไม่รู้เราไม่ตอบไม่ได้นะเราตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นใครจะตอบก็เรื่องของความสามารถของเขามีดาว 9 ดวง ของที่โลกเราอยู่ด้วยเนี่ยเกิดเมื่อนั้นเท่านั้นล้านๆปีทั้ง ก็ก็อีกแหละต้นเกิดจักรวาลนะก็อีกแหละพระพุทธเจ้าก็ตอบล้านล้านล้านนะแม้การ สรุปไว้เท่านั้นเองว่าเป็นวิวัฒนาการของพลังงานจิตของพลังงานทางฟิสิกส์ความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้นมันไม่มีชีวะแต่เป็นพลัง เช่นพลังงานระดับนิวเคลียร์มาทําเป็นโทษเป็นภัยพวกนี้สร้าง แล้วก็อาศัยทีนี้วิวัฒนาการของพลังงานทางอุตตุ แต่มันถือตัวมันเองมันเป็นอัตโนมัติของ วันผีชะนิยามมันก็มีความจริงของมันตัวมันกําหนดตัวมันเหมือนกันเพราะมันเป็นตัวมัน มันมันไม่มีวิญญาณมีเวทนามันไม่มีวิญญาณไม่นับว่าชีวะของมันนั้นมีประโยชน์หรือ พลังไฟฟ้าเอ่อความร้อนสะสะสลายออกดูดเข้ามันก็มีของมันสังเคราะห์เลยว่าสังขารหรือมันปรุงแต่งของมันมันก็มีธรรมชาติของมัน ชีววิทยาแต่เขาก็เรียนรู้ได้ยิ่งโอ้โหยากมากแต่เค้าก็เองพลังงานระดับจิตวิญญาณยิ่งยากใจพวกเราศึกษาไอ้ตัวที่ จักรวาลที่เป็นวัตถุอัตมาภรณ์นั้นไม่อธิบายมากกว่านั้นจะมาตั้งแต่อะไรยิ่งกว่าเนบิวลายิ่งชีวะจนก็ต้องมี ไม่ไปชำนาญอโนทศึกษาแต่ทางด้านนี้ให้มีประโยชน์ก็ใช้ในรูปแนะนําในทางชีวะของจิตวิญญาณมนุษย์นี่แล้วก็ทําประโยชน์อันนี้พอละผ่านเมื่อมาเป็นจักรวาลในระดับของจิตวิญญาณแล้วก็มีความวนมีก็เรียกว่ามัน ปรปเตรูปจักชาติชาติติรูปจักชาติชาติสัญชาติโอกันทิกะนิพพติอภินิพพัตติเตเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าท่าน อย่างไรเป็นโลกีอย่างไรเริ่มเป็นโลกุตระอย่างไรปกติก็เป็นตัวกลางเพราะงั้นก็สามารถรู้ทํา สังขารหรือจักตะวานหรือจักเอ่อความมุ่นหรือโลกให้เพราะ ดับโลกสมุทไทยออกไปหมดแล้วสมุทไทยที่มันวนเพราะก็ไม่มีวนน่ะไม่มีจักรวาลไม่มีสังขารไม่มีวัตตะไม่มีการตัวนั้นมาร่วมปรุงแต่งไม่มีความวนวนเรียกว่าวัตตะก็ตามเรียกว่าจักรวาลก็ตามเรียกว่า ท่านก็อยู่กนะโหติเป็นตัวไม่มีเพราะมนุษย์ผู้ที่รู้จักทํา สังขารนี่เป็นวัตตะมีความบนเนี่ยหรือเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่ทรงอยู่เนี่ยดับเหตุดับ ก็ดับจักรวาลของตนส่วนนี้ดับโลกส่วนนี้ดับสังขารส่วน ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่เราเอามายืนยันมาพิสูจน์กันสรุปแล้วจุดเริ่มต้นของจักรวาล ตัวนี้ก็หมดจักรวาลตัวนี้ก็หมดวัตตะตัวนี้ก็หมดโลกหมดสังขารสังเคราะห์หมด ยืนยันว่ามีเหตุปัจจัยเหล่าของพุทธเจ้าสอน ในระดับจุดประสงค์ของผีชาวมันก็มีจุดประสงค์ของมันแล้วมันก็เป็นไปตามระดับของมันจิตจิตนิยามก็เหมือนกันในสัตว์มันก็ กษัตริย์โลกระดับสัตว์โลกมันก็มีตามประสาของมันมันก็กําหนดตามนะ อย่างต่ออย่างงี้มันมีอนาจาก็มันยุ่งกันมามันก็แล้ว ต้องการถ้าจะเป็นจักรวาลก็ทําจักรวาลให้เป็นจักรวาลที่มี ถือว่าเป็นคนถ้าจะเกิดอยู่เป็นจิตนิยามเป็นจิตนิยามที่มีหลัก และรู้ว่าจักรวาลของชีวะของ นี่คือความหมายของคําว่าจักรวาลจุดประสงค์ของโลกุตระบุคคลก็สูง แก่แค้นไปใช้หนี้กันไปมีอะไรกันไปซึ่งละเอียดเป็นอจินไตยวิบากของกรรมอธิบายไม่ไหวนะอธิบายไม่ไหวโลกิยะผู้ไม่รู้ก็จะวนอยู่นี้ ก็รู้ตัวว่ามันมีนานก็นานไปสิแล้วก็ย่อมไม่บ้าเข้าไปมีจักรวาลไปมีวัตตะไปทําลายทําลายอะไรอีกแต่ถ้าต้องการอยู่มี ชื่อสัตว์ก็มีประโยชน์คุณค่าไอ้ที่ไม่มีประโยชน์คุณค่าหมดจักจิตสัพพภาปัสสกรณังเกิดอีกกี่ สุดยอดแห่งกรรมสุดยอดแห่งธรรมะแล้วมีอะธรรมเลยเด็ดขาดแต่มีชาติอยู่มั้ยก็มีมีวัตตะ เดบธรรมะพอดีท่านก็อยู่อย่างลืมมีมีอยู่ยังไม่สูญยัง พระตมะเนี่ยยังอยู่นะยังไม่ยอมปรินิพพานเป็นปริโยศาสน์ 3 มนุษย์คืออะไรใน มนุษย์เกิดมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรโอ้ๆนะคําว่ามนุษย์สูงสัตว์ที่ เพราะฉะนั้นๆแล้วผู้เป็นมนุษย์นี่สูงที่สุด พรหมผู้ใดจิตผู้ใดสูงเลยมนุษย์โสทําไม ความเป็นตนแฟงอยู่ในตนเป็นตนแฝงอยู่ในตนอนุโลมเพื่อช่วยผู้ มนุษย์โตต้องมีร่างกายเมื่อมีร่างกายมีขันธ์ 5 มันเป็นจิต จะสมมุติว่าคุณเราคุณยังไม่เป็นอรหันต์อรหันต์ตายจิตไม่มีขันธ์ 5 นะจิตวิญญาณของท่านไม่มีชมพูทวีปไม่ แต่เมื่อมาเกิดมีรูปนามขันธ์ 5 มีสุรภาโวสติมันโตโดยเฉพาะ นี่พระเจ้าท่านได้อธิบายที่บอกว่าเอ่อชมพูทวีปเนี่ยเอ่อบนชมพูทวีปเทวดาชั้นเอ่อมนุษย์ชาวชมพูทวีปและพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์นะชาวอุตตรกุรุทวีป จิตวิญญาณตัวที่ประเสริฐที่สมมุติเมื่อกี้ให้ฟังแล้วว่าเป็นพระอรหันต์ตายไม่มีรูปนามคันธ์ โลกอุตระโลกเป็นทวีปหรือโลกของโลกุตระแต่ไม่มีไม่มีสติมันโตไม่ได้อยู่ในโลกพรหมจรรย์นี้มันจึงเป็นมนุษย์มนุษย์ชมพู ชั้นดาวดึงส์ก็คือเสพดาวดึงส์คือเทวดาชั้นเสพในอาการ 33 เสพ อยู่ชั้นดุสิตไม่อยู่ดาวดึงส์นะอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นรายละเอียดมากนะนะเพราะงั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่ามนุษย์ชาวชมพูทวีปประเสริฐกว่ามนุษย์ชาวอุตตรกุรุทวีปและเทวดาชั้นดาวดึงส์โดยฐานะอย 3 ประการฉะ กุจจ์วิญญาณสัตว์ที่มีจิตสูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าผู้รู้จักสัตตวาท 9 รู้ละเอียดทั้งความเป็นสัตว์ทั้ง 9 อย่างแท้จริงเลยจน รู้ซีนะเข้าใจมั้ยเพราะจิตวิญญาณเนี่ยเป็นตัวประกอบว่าอะไรเป็นมนุษย์โสคืออะไรคือจิต 9 ท่านไม่มีความเป็นสัตว์ชนิดใดแต่ท่านอนุโลมได้อนุโลมเพื่อประโยชน์ผู้อื่นไม่มีตนไม่มี prompt ตัวเป็นหมัดเป็นเลนแซกอยู่ในขมข้นของขลุฑกรมพยากรุฑพยาพรมทัศน์ไปแอบ <hab Anton ia> อ้าวมนุษย์ตกลงสรุปแล้วมนุษย์คืออะไรในศาสนาพุทธมนุษย์คือจิต จิตเริ่มต้นมีปัญญารู้จักจิตวิญญาณที่มีโลกุตระปัญญาเริ่มต้นมีปัญญา จิตวิญญาณสูงเริ่มต้นโลกุตระเป 37 เป็นโลกุตระอีก 9 ถึงนิพพานนะก็เริ่มต้นเป็นมนุษย์ถ้าเผื่อ กายคตาสติก็ปฏิบัติไม่ได้ไม่ต้องไปๆนานากายกะลิกายกะลิคือกิเลสกายสังขารกายวิญญาณกายะอะไรต่ออีกไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวคลังญาณเมื่อยไม่ ก็ไม่สามารถที่จะทําตนเองเพราะเริ่มต้นจับสกายะจับตัว จะเข้าใจคําเราก็ไม่เรียกว่ากายกายแม้ที่สุดก็จะเจนไม่แม้มันติดอยู่กับตัวเราเลย ประสาทรูปคุณไม่ได้โคจรกับผมขนส่วนผมขนลบฟันผมขนฟันผมขนเล็บฟันผิวหนังที่มันไม่โคจรไปในตรง มันก็ไม่เกิดความรู้สึกอะไรเลยมันก็ไม่รู้จักกายมันก็ไม่เป็นกายเกิดความรู้สึกอะไรเป็นกายอย่างนี้เป็นต้นนะไว้ จระโคจรัตโคจะคิกะรูปโคจริคขะคิกอ่าโคจริกขะโคจริคขะอืออาตมาก็ยังไม่คล่องเลยกําลังทวนพยัญชนะอยู่จะเอามาอธิบายไว้วันหลังนะวัน อ่าจิตใจอาตมามีตัวยาเยอะกับป้ายนะแต่ป้ายมันเยอะติดผิดติดผิดติดถูกอยู่ยิ่งไปจําเอาภาษาป้ายเลยโอ้ยากแต่ละพยายามบางทีก็ไม่พูดเอามา จุดเริ่มต้นของมนุษย์สรุปก็คือจะเป็นมนุษย์ก็คือ มาจากไหนมาจากวิชามาจากความรู้อะไรก็อธิบายไปจบ ประสงค์อรหันต์นี่ก็คือคําตอบจบง่ายๆสรุปตรง เนี่ยอธิบายซะก่อนมนุษย์ตายแล้วไปตามวิบากจริงๆแล้วสวรรค์มันก็มีสวรรค์อยู่ตายสวรรค์ตายก็ สัญญาก็ไม่มีสติมันโตก็ไม่มีสติมันโตไม่มีสุระภาโวบ้าๆบอๆเพราะฉะนั้นผู้เสพสวรรค์ก็ๆบอ 32 มัน และอาการ 33 ตาวติงสะที่คุณเป็นสวรรค์น่ะนะๆมีความ ใน 32 คุณก็ยังพอควบคุมแล้วก็ควบคุมสัญญา สติควบคุมคือตัวรู้รู้ตัวทั่วพร้อมมันไม่ทั่วพร้อมแล้วมันสัญญาสัญญาของคุณก็ตกอยู่แล้วบ้าๆบอๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะฉะนั้นฝัน แม้แต่อยากทางดีแต่อยากทางดีคุณก็ทําได้ชั่วคราวสรุปแล้วในฝันมันก็คือลมๆแล้งๆตายไปคุณจะ แต่ว่าอาการ 32 ทั้งหลายแลทั้งหมดในร่างกายคุณไม่ 32 อย่างครบอยู่ ไม่ได้ได้ตายไปแล้วยิ่งไม่มีสุรภาโวสติมันตกก็ยิ่งอ่อนจริงๆหรอกแล้วก็ มีประสาทมีสมองมีความรับรู้มีการสมมุติมีการยึดสมมุติตายไปแล้วมันไม่มีไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้เลยสรุป แม้จะได้เกิดเป็นเทวดาตายน้อยกว่าน้อยนักความเป็นเทวดาแล้วจะได้เกิด นะเพราะตายแล้วไปไหนไปตามเยอะแต่เล่าแค่นี้ก็ เพราะว่านิพพานนั้นสรุปแล้วมันๆอยากตายมันหรือมันรู้จักทุกข์ประมาณนึงก็ไม่ บางคนเนี่ยร่างทรมานขนาดไหนก็ไม่ยอมออกไม่ยอมตายก็ เเลียงไว้อย่างงั้นน่ะมันสูญคุณสติมันโตมันไม่มีละควบคุมพลังงานของตัวเองไม่ได้พลังงานก็เลยมีเชื้ออยู่ เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นนรกเป็นสวรรค์ส่วนมากนรกนะส่วนสวรรค์นั้นพระอรหันต์ก็ 4 5 6 มนุษย์โลกีย์ก็อยู่ใน 6 ภูมิเนี่ยหมุนเวียนอยู่ไป เพราะปรหันตต่อภพภูมิก็ต่อจิตมันสัญญายะนิจจานิท่านกําหนดน่ะเป็นเป็นปริโยศาสน์นะแต่ นิพพานไม่ตั้งจิตต่อก็ศูนย์สัญญาอย่ายะอนิจจานนี้ ยังเป็นปุถุชนลึกๆมันรู้เพราะมันตายมันเกิดนับชาติไม่ทวนมันรู้มันตายแล้วๆมันรู้โดยสัญชาตญาณลึกๆสัตว์ หลอกมันไม่มีอะไรจริงมันไม่จริงมันจริงมันมีขันธ์หน้านี่แหละดอกโน้นมันแวบๆโน้นนั้นไปอาศัยสัญญาบาๆบอมนุษย์ก็ไม่อยาก ในศาสนาพุทธความตายมีความหมายหรือมีคุณค่าหรือไม่น่ะความโอ้ความตายมีค่าคือเอา เพราะหมดความเกิดเอาให้ตายหมดชาติหมดความเกิดอ้อยตายไม่เกิดอีกมีความ ทีนี้พอเป็นโลกุตตรจิตหรือเป็นอริยบุคคลขึ้นมาก็ก็รู้ถึงความตายดีอ้อร่างกายนี่มันเกิดจากเหตุปัจจัยของวิบากหมุนวนเกิดเกิดตายๆนรกลดนรกลดนรกนรก เป็นพระอรหันต์เนี่ยรู้จักว่าไอ้ตัวนรกเนี่ยเราดับมันได้สิ้นเลยสัตว์ที่นะสู้อะไรสู้วิบากที่ ทุกที่จะเกิดจากวิบากยังเหลือจะสู้มั้ยล่ะพระอาจารย์โพธิสัตว์ก็จะต้องรู้ว่าเกิดอีกวิบากวิวาธโอ๊ยไม่ใช่วิปากะ แต่กรรมสร้างแต่กุศลกุศลก็จะเกิดไอ้อะไรอ่ะถอยถอยถอยถอย เพราะเศษที่บากจึงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยขนาดในขนาดเป็น ทำได้สูงสุดแล้วมีค่าไม่ความตายคำทําว่าและความตายอ่ามีความหมาย วิปากะวะวิปะวิบากวิปากะมูละกับทุกข์ทุกข์วิบากก็ไม่สนุกไม่เห็นไม่เห็นประโยชน์ นะอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วศาสนว่า 5 จริยธรรมคืออะไร เป็นตัวกําหนดว่าสิ่งใดมั่งไม่ใช่สิ่งใดและใครรื้อสิ่งใดเป็นตัวกําหนดต่อไปแล้วที่จริงข้อนี้เนี่ยวนจริยธรรมคือคุณธรรมของ เรียกว่าคุณงามความดีจริยธรรมนะหรือเรเรเรเร r a l นะ คือ r, r ออรอลอ่าน่ะจริยธรรมคือคุณธรรมที่ตามกําหนดของสังคมหรือตน บางที่เป็นมีมีๆนะเออแต่เราดูโอ้ไอ้คนนี้ประหลาดมันมันทําดีๆแต่คนไม่ถือด้วยไม่ถือเป็นจริยธรรมแต่ไม่ สังคมกำหนดและใครหรือสิ่งใดเป็นตัวกำหนดก็สังคมนั่นแหละมนุษย์นั่นแหละตั้งแต่ตัวเองสั่งกำหนดจนกระทั่ง อะไรที่ระบุถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์เอาเอาสรุปอีกทีก็ได้อะไรที่ระบุ อะไรเป็นบรรทัดฐานอะไรเป็นพัฒนาการและใครคนกําหนดนะใครถามละเอียดไปหมดเลยซอยแล็คเลยนะอะไรที่ระบุถึงคุณค่าความ ยิ่งไอ้หินดินปูนนี่กําหนดไม่ได้ใหญ่ มันเป็นจิตสูงนึกว่าความเสียสละเป็นสิ่งที่เป็นมนุษย์โซ่เป็นจิต เพราะไม่มีตัวตนนั่นไว้ 12 ข้อพระอรหันต์ผู้มีอิสระยิ่งใหญ่ 1 ความเพราะงั้น ถึงขั้นเป็นคนหมดทุกได้ขั้นเป็นคนหมดทุกข์ได้โอ้เป็นคุณค่าสูงสุดของความเป็นมนุษย์แล้วจิตจิตสูงละ 12 ประการของพระ อ๋อไอโน่นยังวิ่งตามน้องอออากาศ 3 เป็น 4 เป็นคนทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นทาย ประโยชน์ตนสําคัญที่สุดก็คือล้างกิเลสล้างตัวภัยให้หมดจากจิตวิญญาณเพราะนอกนั้นก็เหลือ นอกจากไม่มีความโลภโกรธโทษแล้วมีเมตตาจริงๆเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจุไอ้มนุษย์ชาติจริงๆ ซงกันเรื่อยๆอ่านี่เป 8 เป็นคนไม่ทําบาปแล้วก็หมดแล้วนี่บาปคือกิเลสกิเลสละๆเจ้าเป็นคนๆอ่า 10 เป็นคนได้ ก็<ส lle an> 11 เป็นคนรู้นรกนิพพานถูกท้วนนะนี่เป็นคุณเป 12 เป็นคนรู้จักเป 12 นี่ ข้อความเป็นมนุษย์อะไรเป็นบรรทัดฐานก็ตอบไปแล้วบรรทัดฐานก็คือลักษณะ 12 ข้อนี่แหละนะและใคร <f use> คิสถามมา 6 ข้อนั่นอาตมา ได้โอกาสก็ช่วยโอกาสแม้แต่วันนี้วันสรรค์ฆาสร้างๆเรื่องอะไรอ่าอาตมาไม่ยอมดูนาฬิกานะพยายามข้อเหลือบดู ตรงๆเลยพุทธชีวะสินธ์นะก็บอกข้อให้เคลียร์ละเอียดกันอีกที 6 ข้ออ้าวทีนี้ถึงทีพวกคุณ อ้าวน่ะคนนั้นคว้าได้ก่อนไอ้คนนี้ยกมืออยู่ตรงนี้ไม่มองมือเลยยื่นใส่มือนู่นเค้ายกมือเค้าขอกะครับโน่นได้ก่อนไม่ไม่ยกมวกง่ายรถมือ ลื่นๆครับอ้าวแม่อ้าวต่ออืมทีนี้ว่ามีมันมันมันคือไม่รู้ใครจะมาอธิบาย ยังไม่อรหันต์เจนน่าจะตายไปทําไมล่ะก็เอาให้มันได้อรหันต์อธิบายแค่ฟังนี้ก็เข้าเข้าใจไม่ยากนะ รู้สึกว่ามันว่ามันโอ้โหครับรู้สึกสึกรู้สึกแต่บางยามมันยังไม่ถึงแต่เป็นลักษณะของสะอุตตังจิตตังลักษณะของสะอุตตังจิตตังหมายความว่าๆๆๆๆ ครับรู้สึกอย่างนั้นครับอ่าแต่อธิบายไม่ มันมันมันมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรืออนิจจังทุกขังอนัตตานั้นตัวกิเลสเป็นตัว นะท่านไม่เกิดความวนของตัวเหตุปัจจัยที่มันจะเกิดไม่เที่ยง ไตรลักษณ์ของท่านหมดจบแล้วไตรลักษณ์ของท่านไม่ 1 ไตรลักษณ์ความหมายสามัญญลักษณ์กับอีกไตรลักษณ์อีกอันนึงความ ลักษณะสามัญก็เป็นของคนทุกคนที่เป็นปุถุชนเพราะฉะนั้น ของปุถุชนหรือของกัลยาณชนที่ยังไม่สมบูรณ์ทีนี้ 3 ที่สูญไปแล้วแต่ยัง 5 เกิดขึ้น ตั้งดับไปก็ยังอยู่บนเวียนอยู่ก็ยังอยู่ดับไปก็ยังอยู่วนเวียนอยู่ยังไม่สูญยังไม่ปริผ่านเป็นปริโยสารเพราะ ที่ยังเหลือเป็นลักษณะสามหน้าอยู่เป็นไตรลักษณ์ของอันนั้นเป็นปัจจัตตลักษณ์เป็นลักษณะ 3 อยู่แต่ เพราะอนิจจังของทุกข์อนัตตาของทุกข์มันไม่มีแล้วมันเที่ยงแล้วทุกข์มันไม่มีแล้วเที่ยงอนัตตามันสูญแล้วมันไม่มี มันทาวรแล้วนี่จังทุบังสัสตรังปะนิตาจบละเอียดไปสรุปไตรลักษณ์ของพระอรหันต์นั้นถ้าไตรลักษณ์โลกิ หรือทุกข์ที่เรียกไม่ได้ 6 ประการยังอยู่แต่ทุกข์ที่เป็นโลกีย์ทุกข์ที่เป็น มันก็เกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็สลายไปตามแรง อ้าวใครจะถามให้ยากกว่านี้อีกมั้ยถามมาใช่เพราะว่าบางคนเค้าว่า UCI UCI ไม่ ICU มีแต่ไอเท่านั้นเห็นไม ICU, ICU เนี่ย เขา CI ได้ไม่มี UCI เขาไม่เห็นแล้วเขาไม่รู้เอาน่ะมาเขาโอ้เขาพูดเองเหรอๆของเขาอ่ะค่ะเออให้พ่อเค้านะคะ พระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็ให้สวดมนต์น่ะค่ะอืมท่านที่ที่ให้ลูกเนี่ยลูกให้พ่อน่ะค่ะสวดมนต์เนี่ยจะเป็นการช่วย 2 ถ้าเค้ามีอุปทานในการสวดมนต์แล้วว่ามันๆก็ได้ประโยชน์ที่ตายตายอย่างดิ้นรนตายอย่างทุกข์สมถะมันก็ๆกุศลมันก็ ดีๆก่อนตายอย่างน้อยก็สงบหรือไม่ค่อยดิ้นรนมากนักและ บรรลุธรรมก่อนตายไปลึดไปพร้อมกันกับตายเป็นสมศีสีเหลือดิฉันเกลือดินสุวรรณ อพระอรหันต์ที่นี้ท่านยังจําระลึกชาติตอบการระลึกชาตินี้มันระลึกได้อย่างเป็นตัวเป็น บางทีก็ระลึกถึงได้แค่หางมันบางทีระลึกถึงได้ขาแล้วก็ <c oughs> อย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะท่านท่านตั้งจิตที่จะต้องแต่งงานแล้วค่อยเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าเอ่อเป็นวิบากอะไรถึงจะ แม้ไม่ตั้งจิตทวิบากมันยังมีพอที่จะ บางวันวิบากมันก็เป็นอำนาจอย่าง มันมีมันมีความมันไม่ตกผลึกพอใจแต่ทําเองไม่ได้แม้ ในสิ่งที่เราเอง lif şi hi chi shi te kuriиш g Gobierno จะตั้งจิต g� que d y Yu มีส่ว Gift y qug g s ไม่ genocide aj xuân y te j y G ykit te geno จิงทั้งน That's all ดีกจิต g roti T e qun te そ вот C' tenant of the person is being clean tj y free จะได้หรือไม่ได้ All of it ถามตอนแรกว่า инст minerari tri Charlot ได้ทุกองก catalll э gim 激 loyate mеж แล้วก็เป็นเวลาด้วยอย่างอาตมาเนี่ยระลึกชาติอาตมาระลึกชาติเนี่ยนะเมื่อกี้ยกตัวอย่างน่ะระลึกได้โอ้ได้แต่หางช้างหน่อยเดียวระลึกได้แค่นี้อ่าบางคนก็ระลึกได้ขามันมั่งระลึกโอ้ดีไม่ดี อาการ 32 ของช้างก็ตามอ่าแล้วก็ คนที่ยังไม่เข้าใจยังอวิชชาอยู่ชาตินั้นชาตินี้เราเกิดเลอะเทอะไปเสียแต่ถ้าเป็นแล้วก็จะระลึกแต่สิ่งที่มีค่ากว่ายิ่ง ประเด็น 2 ประเด็นหลักได้มากหรือเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาไม่รู้นอวทนรึก ธรรมะที่จะทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพุทธธรรมะเป็นพุทธธรรมพุทธศาสนาทั้งหมดท่านไม่รู้ท่าน แล้วมันเป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงมันมันเป็นอะไรพระพุทธเจ้าตั้ง ใช่มั้ยท่านก็อยากรู้ 15 ค่ําเดือน 6 มันจึงถึงเวลาอาวาระ ได้หมดได้ชัดว่าโอ้สุดยอดแห่งความรู้ของพุทธธรรมเป็นอย่างนี้ ทีละน้อยด้วยของท่านดลึกทีเดียวพลวดแต่ท่านก็ไม่ ตอบได้อีกอันนึงว่าแม้จะระลึกได้แล้วแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ยอมถ้าไม่มีความรึกสิ่งที่เป็นสัจธรรมของแล้วแต่ท่านก็ไม่ หรือไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเลยขอยกตัวอย่างวัดเนี่ยบ้านอยู่ศิษสเกต ไม่ได้สนใจพระเจ้าวัดวาโตมา เจ้าคุณศาสนโสภณเจ้าคุณท่านทายาท่านก็ท่านแม่ไป 7 วันอาตมาเลยต้องถูก 7 วัน ที่บ่นก็เพราะว่าอาตมาตกต้นไม้ 7 วันเอ่อ 7 วันวัดอุบัติ ศนเด็กโอ้โหยวัตถุปัดมีต้นพริกกุนเยอะอาตมาไปปิดต้นพริกกุนก็เอ่อบวชเป็นเนนมหาบอกไม่ไหวท่านจตุคุณท่านเอาไปดูแลเองเถอะ อ่าอตมาก็เลยตอนแรกก็นอนอยู่ในกุฏิท่านมหาพอท่านมหาบอกว่าไม่ไว้ส่งไปให้ คือสนมากอ่ะนะอาตมาเนี่ยไปบวชตรงนั้นน่ะแต่จากนั้นไม่เคยสนใจเลยได้ที่ว่าเรารึกชาตินั่นแหละค่อยได้ เจ้าสุดท้ายอาตมาถึงรู้ตัวเองว่าเป็นโพธิสัตว์คนนานแล้วลึกได้ทีละน้อยทีละน้อยไม่เหมือนพระพุทธเจ้าลึกได้พรวดเลยดึ๊บอาตมา แต่ก็รู้แล้วว่าบริษัทด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างก็ไม่ค่อยกล้าที่จะประกาศเท่าเออคนก็พอเข้า สรุปแล้วการรึกชาติก็มีรายละเอียดนะการรึกชาติก็มีรายละเอียดอย่างที่กล่าวไปแล้วเอ่อไตรลักษณ์ก็อย่างที่ว่าโอ๊ะแต่ละของเจ้าโน้นกรรมปนกัน อ่าอายอ่อนรอว่านั้นอีก 5 นาทีอ่ะครับคุณครูคะตอบข้อ แล้วก็ได้เอาความเป็นศัตรนั้นให้ตายลงแต่เกิดเป็นอริยบุคคลผู้ 5 ก็คือดับสิ้นสูญสลายเพราะครูบอกว่าก็ยังมีคุณค่าไม่เท่ากับผู้ที่มีอริยบุคคลสูงถึงขั้นนิพพานแต่ยังมีขันธ์ 5 อยู่ 5 จึงอยู่ ไปอยู่ในปัจจตลักษณ์ของโลกุตระแล้วทีนี้ เกิดขึ้นหลากหลายแล้วก็เป็นความดีสูงสุดก็ตามแต่ว่าเราก็ยังระลึกถึงตอนที่เอ่อ หลายปีมาแล้วค่ะแต่ตอนนั้นพระรักนั่งอยู่ด้วยได้ <Huh? S 1> NOTHING nothing no thing อ่ะคือเหมือนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยคือคุณค่าที่สุดเพราะฉะนั้นต่อคําถามนี้ก็คือว่า ก็คนตายอย่างปุถุชนมันไม่มีค่าแต่เค้าคงไม่ใช่ปุถุชนที่ <Huh. S 2> uh, ค่ะเอ่อคําว่าน็อธซิงไม่มีอะไรนั้นก็คือผู้ที่เข้าใจกําหนดรู้ความไม่มีอะไรนั้นแล้วหมดแล้ว ก็จะก็จะเข้าใจความว่าไม่มีอะไรณคือผู้ไม่มีเนี่ยแหละไม่มีอะไรอ่าไอ้ที่สูง อยู่กับโลกอย่างอนุโลมปฏิโลมไปกับ 4 ทํางานอยู่พระอรหันต์ก็ไม่เท่าๆเพราะฉะนั้นจึงบาง เพราะผมไม่ค่อยรู้องค์ประกอบของสังขารโลกไม่ค่อยรู้ถึงความรู้ของโลกจะมตัญญุตตาประมาณไปได้ก็คิดผิดถูกถูกได้เพราะงั้นพระอรหันต์ทําผิดได้สําหรับโลกเขา ต้องยกพระอรหันต์ไว้ว่าท่านไม่มีอกุศลเจตนาเจตนาเป็น เพราะอรหันต์จะไม่ทําอะไรเสี่ยงเพราะแต่ไม่ทําผิดแล้วไม่รับวิบากไม่ได้นะแม้ไม่มีเจตนาก็ต้องระมัดระวังเพราะทุกอย่างเจตนาหมดเจตนากุศลหมดไม่มีอกุศลเลย จึงรู้จักประมาณรู้จักสัพพริสธรรมจริงทําแต่ความดีแล้วไม่เรียนความชั่วขออภัยแต่จิตจะต้องพูดอะไรเนี่ยไม่เรียนความชั่วให้ละเอียดจนจบศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาเรียน เรียนจนจบและทําลายความชั่วจนหมดเลยเหตุแห่งความชั่วจนจบนี่คือ ไม่เคยทําความตายให้แก่ความชั่วเลยมีแต่กดมันทิ้งไว้แต่ทําแต่ความดีก็ชํานาญแต่ทําแต่ความดีความดีความดีความดีความดีเลียนด้วย ทำความดีได้พอประมาณ พอไม่ได้ล้างเหงาแห่งความชั่วมนุษย์มันมนุษย์อ่ามนุษย์ อุตตรกุรุทวีป 4 มนุษย์อะไรโคตอัปปะโคยานทวีปนะมันมี 4 มนุษย์เนี่ยนะเนี่ยไม่ ไม่เป็นเป็นมนุษย์อุตตรคฤตวิบดีมีแต่ดาวดึงกับอะไรโคอปรคฮะฮะอปรคโคยานน่ะมี ในขั้นขั้นอ่าถ้าผมรู้อย่างผู้ฤาษีเนี่ยนะพวกสงบ 2 อนิมานรดีกับปรินิพพสวดี สร้างคุณงามความดีคุณงามความดีสร้างสิ่งประเสริฐจนกระทั่งคนอื่นร่วมสร้างเรียกว่าปรินิม สงบก็เป็นมนุษย์ดาวดึงในขั้นที่กดข่มได 33 ได้อาการที่เป็นสุขไม่ได้ลบ เพราะความรู้ความเข้าใจอันนี้ได้นะเป็นได้ได้เป็นมนุษย์ทั้งดาววดึงและอปรโคยาน ตามบารมีทําได้ตามบารมีอ่ะและทํา ยากก็มาเพราะฉันจึงทําได้น้อยถูกเป็นคัมภีราทุทัสสาปนิตาสันตานี่สงบสงบเยอะนะๆกราบขอบพระ สัมมนาให้นักบวชหน่อยนึงอ่าเอ้าเอาขอถามเรื่องนอก <laughs> ถ้าบริสรระดับโสดาสกิทาอนาคหรหัตเนี่ยไม่สงสัยสงสัยว่าถ้าถึงระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 เนี่ยระดับ 8 9 เนี่ยเอาอะไรเป็นเกณฑ์เอาอะไรตัดสินโสดาคือโสดาสกิทาอนาคหรหันเนี่ยไม่สงสัยสงสัยว่าพอสาระระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 ระดับ 9 เนี่ยเอาอะไรตัดสินโอ้คือไม่เข้าใจอ่ะครับคือโอ้ผม เพราะว่ามันเกิน... ว่ามันมันมันเกินทุนยังไม่ท่านจบปริญญาตรีครับนี่เป็นเรื่องนอกตัวแต่บ่ อ่าไปถึงขั้นอ่านิยตตาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์นั่นโอ้มันก็จะต้องบอกเกณฑ์ทั้งเยอะทั้งแยะ 4 โสดาสกิทาอนาคาอรหันนี่โพธิสัตว์ 4 นี่ 4 เอาอะไรเป็นเครื่องวัดก็ พระสกิทาก็หมดโลกกามไปตามสูงเป็นๆก็เอาเกณฑ์ทุกสบายเหลือแต่กิเลสข้างถือตัวถือตน นั่นก็ต้องเข้าใจสภาวะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นจริงอย่างไรคุณมีอยู่หรือไม่มีคุณก็จะต้องตัดกรอบตัดเขตได้นะ ที่เป็นโลกวนเวียนอยู่ในโลกลาภยศสรรเสริญโลกิยสุขอ่าแม้แต่เป็นขั้นอรูปนะพระโพธิสัตว์เริ่ม ท่านมีอนุโพธิสัตว์ท่านก็จะมีภูมิที่จะช่วยคนในระดับโรคระบาย พอไปถึงขั้นช่วยอคันระดับมหามหายิ่งกว่ามหามหาเรา แม่ถามกันจังเลยถามกันขนาดโอ้โหอ่าเอ้าเหลืออีก 30 นาทีใครกราบนมัสการท่านโอ้โหดีๆเลยนะสว่างนะแต่ 2 ทุ่ม 21:00 น. อยากเรียนถามเรียนถามรอเล่นรอเล่นอ่าก็คงจะอยู่แถวนี้แต่อนาคามี พระอรหันต์นี่อนาคามียังอยู่ชั้นทุสสิมั้ยคะผู้ที่ทําจิตได้จะถึง ไปถามว่าอะไรจะถามว่าอืมที่พระ ไอ้รอหรือว่าเป็นโอกาสที่มันจะถึงโอกาสมันเป็นของแต่ละบุคคลไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อยู่ไปแต่คุณไม่ยอมตายคุณไม่ยอมปรินิพพานสู้ไปทําถึงระดับอรหันต์คุณๆความไม่ ทั้งตัววิบากด้วยดีไม่ดีทั้งผู้อื่นด้วยแล้วถ้าสมมุติเราไม่ค่อยๆสลายกิเลสไปไม่ต้องกลับมาเกิดตั้งจิตตั้งจิตไงจิตตอบไปแล้ว อันตรายปรินิพพายีจะในระหว่างที่จะเป็นไปเมื่อ มีบารมีพอไม่มาได้บารมีพอไม่มาได้ถ้าไม่มีบารมีพอต้องมาเพราะวิบากของคุณต้องมาคุณก็ต้องมานะทีนี้อุปหัตปรินิพพายีเนี่ยอุปหัตแปลว่าด้วย น่ะมีความพยายามอย่างมากๆๆมากให้ได้ส่วนคุณธรรมอันตรายของคุณธรรมอุปปะหัตนั่น <c oughs> เป็นอสังขาระไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งอะไรมากถ้าเผื่อว่าภูมิบารมีเอ่อไม่สูงก็ต้อง คุณสมบัติทั้ง 4 ทั้ง 5 นั้นน้อยเป็นน้องเพื่อนเพื่อนเป็นน้องเพื่อนท่านโสโตอกนิฏฐะคามิค่ะค่ะกราบขอบพระคุณเลยจะเกือบ 20 นาทีอ้าวสําหรับนอนหนาว Gràcies. <laughs>